ว่าจตุโกติกาสุญญาตาจตุโกติกาสุญญาตาพระสุญญาตาที่มียอดสุดสี่อย่างโกติโกติเราว่ายอดสุดเหมือนก็ยอดมนต์ดบจตุโกติกามียอดสี่ยอดสุญญาตาความว่างมียอดสี่ยอดพูดง่ายๆก็คือสี่ชนิด ถ้าถึงที่สุดจึงจะเรียกว่าโกติกาในความว่างที่ถึงที่สุดนั้นมีอยู่สี่ชนิดท่านจึงเรียกว่าจตุโกติกาสุญญาตาข้อที่แรกความหมายแรกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรา จิตรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่เป็นบาลีก็ว่าอาหังกต่ว่าจินนิอหังกต่ว่าจินนิไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเมื่อไดจิตมันรู้สึกลึกไปข้างในว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรานี่เรียกว่าในความว่างยอดสุดอันที่หนึง่ง ทนี้อันที่สองไม่มีความกังวลในสิ่งใดหรือต่ออะไรเราะว่าเป็นตัวเรานี่หมายถึงความกังวลในสิ่งใดหรือต่ออะไรที่ยวเป็นตัวเรานั้นไม่มีข้อแรกว่าไม่มีตัวเราข้อสองว่าไม่มีกังวลว่าตัวเราพีเท่านั้นเองนี่ข้อสามว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเรา ไม่มีอะไรที่เป็นของเราแล้วก็สี ว, ว่าไม่กังวลว่ามีอะไรเป็นของเราอาหางกับวจินนิไม่มีอะไรที่เป็นเรานักตัดสิจินเจนตัดสมิงไม่กังวลในสิ่งใดว่าเป็นตัวเรานัจมามะกับวจินนิไม่มีอะไรที่เป็นของเรากิดเรมินจิกินจจนังนัททิไม่กังวลในสิ่งใดว่าเป็นของเรา เรียกว่าสี่สองคู่นับเป็นสี่คู่ตัวเราก็คือว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นของเราแล้วก็ไม่กังวลว่าจะมีอะไรที่เป็นของเรามีคู่แรกคู่ที่สองว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราแล้วก็ไม่มีไม่มีกังวลว่าอะไรจะเป็นของเรามันเรื่องตัวเรากับเรื่องของเรา มีอยู่สองเรื่องแส่ละเรื่องม่แยกออกเป็นสองว่าตัวเราหรือกังวลว่าตัวเราของเราหรือกังวลว่าของเรานี่ไปนึกตัองเกตรเราเองว่าในใจของเรามันเคยเกิดกังเคยความรู้สึกอย่างนี้หมายมันจะมีตัวเราหรือกังวลว่าจะมีตัวเรา มันจะรู้สึกว่าของเรานั่นกับของเราเคยชินอยู่หรือจะกังวลว่ามันเป็นของเราอยู่ในความรู้สึกตรงไปตรงๆก็มีทีนี้ความรู้สึกโดยอ้อมเป็นเพียงความกังวลก็มีเราก็ไม่มีความรู้สึกทั้งที่โดยตรงและโดยอ้อมว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเรามันจึงเกิดออกมาเป็นสี่แผนกสี่สี่แชก สี่ยอดเป็นสียยส่ยอดสุญญตาสี่ยอดยอดที่หนึ่งไม่รู้สึกว่ามีตัวเรายอดที่สองไม่กังวลว่าเป็นตัวเรายอดที่สามไม่รู้สึกว่ามีของเรายอดที่สี่ไม่กังวลว่ามีของเราเคยมันเกลี้ยงเคยมันสิ้นเชิงไม่มีตัวเราไม่มีของเราและยังไม่มีกังวลว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกด้วย เด็ดขาดไปเลยไม่มีความสงสัยลังเลกังวลแบ่งไว่าว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็นตัวเราหรือเป็นของเราไปทดสอบจิตใจตัวเองดูว่ามันไม่รู้สึกว่ามีเราหรือมีของเราน่าต่จะสงสัยลังเลอยู่ว่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็ม่ได้มีนี่ยอดสุดสุดยอดของสุญญตาสุญญตาสี่ยอด เรียกว่าในสบาลีอย่างนี้ความว่างถึงที่สุดสี่ความหมายอย่างนี้